รู้อันอื่นพวกเราได้รู้มามากแล้ว <c oughs> เรื่องของจิตของใจนี่พวกเรายังรู้น้อยอยู่ทำไมจึงว่าพวกเรารู้น้อยอยู่เพราะ ถ้าจิตใจยังเป็นสามัญชนเป็นปุถุชนนี่คำว่าอุปทานอุปทานการเข้ายึดเข้าถือก็เรื่องจิตใจนั่นแหละ กยึดสิ่งใดถือสิ่งใดสิ่งนั้นมันเป็นทุกขึ้นมาถ้าไม่ใช่หลักศีลหลักธรรมเป็นเครื่องโยกลอยทั้งลอยมันไปยึดเรื่องรูปเรื่องขันยึดเรื่องรู ป, เ ร, เ, รรปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสยึดให้ความหมายสมมตุติโน่นนีน่น ที่พวกเราเคยเจี่ยวเนื่องเจี่ยวข้องมาไปเย็ดไปผูกพันพัวพันลักษณะนั้นจนตั้งแต่พวกเรารู้จักภาวะเดียงสามาแล้วเ่ให้ความหมายว่าคนนั้นเจี่ยวเนื่องกับเราในฐานนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ พวกนั้นหมู่นั้นเกี่ยวเนื่องกับเราในฐานะอย่างนี้อย่างนี้คนแต่ละคนคณะแต่ละคณนะที่ไปให้ความหมายเกี่ยวเนื่องนั้นมันมีทั้งดีทั้งชั่วมันมีทั้งสิ่งที่ให้พวกเราพอใจมีทั้งเรื่องที่ให้พวกเราขัดข้อหมองใจ แล้วกระแสวางบนของความอุปทานไปยึดนั่นแนหะถึงจะผ่านมากี่วันกี่เดือนกี่ปีบางเรื่องบางลาวบางเรื่องนั่นแนหะมันยังนึกขึ้นมาได้อยู่มันยังเป็นพิษเป็นภัยนึกได้เมื่ อ, อไรเรื่องอะไรในสิ่งที่เป็นกระเทือนเรื่องจิตใจ มันก็กระเทือนให้จิตใจเป็น ท, ทุกข์จบเทจิตใจเจี่ยวเนื่องกับเรื่องต่างๆไปอุปท า, านการยึดเรื่องต่างๆนี่เป็นเรื่องของจิตใจแต่นัการเรียนรู้เรื่องของจิตใจเป็นของจําเป็นอย่างยิ่งที่พวกเรามาฝึก และพุทธเจ้าสอนให้พวกเราปล่อยละวางพอเรื่องการไปยึดไปถือนั่นมันเป็นอุปทานการยึดถือยึดถือสิ่งใดเข้าแล้วมันเป็นทุกข์ทุกข์น้อยทุกข์มากก็ดูในดวงใจของเรา ขนาดนี้เดี๋ยวนี้เราละเราปล่อยเราวางเรื่องต่างๆที่ผ่านมาปล่อยวางได้น้อยมากขนาดไหนการปล่อยการวางทำให้จิตใจมีความเบาทำให้จิตใจมีความสบาย ดูความเบาความสบายของใจของเราในขณะนี้เป็นเครื่องวัดการละการปล่อยการวางนอกจากนั้นแล้วคำสอนขององค์ศาสด า, า, าที่พวกเรามีหน้าที่หน้าที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติกายวาจาใจของเราเน่แหละหน้าที่ของเราอย่างนี้ องศาตดาสอดให้พวกเรามีความพอใจท่ามกลางของความเป็นอยู่ของพวกเรามีฉันทะความพอใจน้อยมากขนาดไหนพอใจยินดีในการอยู่ในความสงบพอใจยินดีในการประพฤติ ร, รม พอใจยินดีในนักบวชหรืออยู่ในศีลในธรรมความพอใจความยินดีของพวกเรามีน้อยมากขนาดไหนเหลืออยู่เฉยๆ เ, เลยเลยเรืเ่อยๆเฉยๆไปถ้าอยู่เฉยๆ เ, เลยเลยเฉย ๆ, ๆไปลักษณะนั้น กำลังใจที่เกิดความฉันทะพอใจในหน้าที่มันจะอ่อนมันจะเข้าในลักษณะโมหะความหลงของจิตใจในสิ่งที่ควรจะยินดีปีติพอใจในสิ่งที่ควรยินดีความพอใจและก็พวกเรากาลังใจส่วนนั้นมันไม่มี เมื่อไม่มีส่วนนั้นแล้ววิริยะความภาคควมเพียรที่จดจ่อเอาใจใส่โดยเฉพาะการฝึ ก, ก จ, จิตใจการฝึ ก, ก จ, จิตใจถ้าเผื่อพวกเราไม่พอใจในหน้าที่การละการปล่อยการวางเห็น ความสงบของจิตใจเป็นของที่มีคุณค่าเห็นชีวิตของนักบวชแล้วผู้หลบหลีกจากเครื่องกังวลทางนอกหลบหลีกจากปัญหาทางนอกร้อยแปดปันเรื่องถ้าไม่เห็นลักษณะนี้เป็นทางที่ออกจากกองทุกกองโทษเป็นทางที่จะ ส่งเสริมให้จิตใจของเรามีความเบาความสบายเพราะการปล่อยวางความยึดความถือนั่ น, น, นเรื่องทุกเรื่องเรื่องทุกอย่างในชีวิตความเป็นอยู่นี่ไม่มีลักษณะไหนที่ปลอดภัยทำให้พวกเราเบากายเบาใจได้เท่าชีวิตของนักบวช เพราะความเป็นอยู่ของชีวิตของความเป็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายนี้มันต้องแสวงหาแสวงหาเพื่อได้ปจัจจัยสี่มาเป็นเครื่องอยัางชีพเหมือนชาวบ้านเขาทั้งวันทั้งคืนบางคนเขาทำการทำงานเพื่อได้มาซึ่งปัจจัยสี่ ฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการร้อยแปดพันเรื่องแต่นี้ชีวิตความเป็นอยู่นักบวชพวกเราไม่ได้มีความกังวลอย่างนั้นไม่ได้เสแงหาอย่างนั้นเมื่อการงานส่วนหนักทางนอก เราละเราปล่อยเราวางรัลปล่อยวางส่วนที่เป็นส่วนหยาบจินตยากายวาจาของเราให้มันลัปล่อยวางได้ทั้งส่วนจิตใจของเราเอกส่วนหนึ่งด้วยเราเลีกมาทางกายทางวาจาเราไม่ได้เจี่ยวเนื่องการกระทาพูดเถิง แต่มันก็ยังเหลือทางจิตใจที่เคยเจี่ยวเกาะเกีเ่ยวเนื่องกันอยู่กลายเป็นอารมณ์ทางดวงจิตดวงใจฉะนั้นการมาเรียนรู้หน้าที่ของนักบวชหน้าที่ของผู้บีภาระน้อยที่สุดก็คือเรามาละมาปล่อยมาวางฝึกละฝึกปล่อยฝึกวางทำให้จิตใจของเรามีความเบา เบากายเบาใจเกิดขึ้นในชีวิตความเป็นอยู่ของเราฉะนั้นการละการปล่อยการวางเราจึงรู้ภายในดวงจิตดวงใจของเราในขณะนี้เราเตือนเราเราสอนเราก็เราละเราปล่อยเราวางมาแล้วก็จิตใจทำไมมันจึงไม่ยอมละยอมปล่อยยอมวาง เราตั้งเตือนเราอีกทีหนึ่งสอนเราอีกทีหนึ่งแล้วก็ฝึกเราอีกทีหนึ่งคือฝึกทางด้านจิตใจของเราฝึกและฝึกปล่อยฝึกวางส่วนนั้นมันเป็นอารมณ์อารมณ์ของจิตใจนี่ถ้ารวมกันเข้ามากๆ ม, มันกลายเป็นสังขารความนึกความชิดความปรุงความแต่งของจิตใจนี่เป็นของสำคัญ ต้องมาเรียนรู้สภาพความเป็นจริงของจิตใจพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามีปัญญาฉลาดรอบรู้ในกองสังขารสังขารจิตคือจิตใจของพวกเรามันไปยุ่งไปผบวมอยู่กับอารมณ์ชิดโน่นชิดนี่น้อยแปดพันเรื่อง การเนือ ก, การปรุงการแต่งร้อยแปดพันเรื่องที่มันเป็นนิสัยของกิเลสตัณหาอาวิชชานั่นน่ะมันมีอยู่ภายในดวงใจอันนี้เราต้องมาฝึกละฝึกปล่อยฝึกวางจากอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งเหล่านั้นให้อยู่ในอารมณ์ของความสงบให้อยู่ในอารมณ์ของความเป็นสมาธิมีสติ ทำความวางความวา ง, วาวางจิตใจของพวกเราให้มันเป็นอิสระอิสะระรู้ละรู้ปล่อยรู้วางภายในจิตใจเรากายและมุตาจิตตะและมูตาแล้วลลลหูความเบาเบากายเบาใจมันเบากายเบาใ จ, าจน้อยมากขนาดไหนเดี๋ยวนี้ใจของเราเราเป็นผู้รู้เรื่องของเรา พอฝึกในศีลในธรรมรู้ตัวอย่างนี้นอกจากความเบาทางกายทางใจและก็จิตตะระหูตาจิตตะมุทุตามุทุความอ่อนน้อม อ, อ่ อ, อนน้อมต่อคุณงามความดีที่พวกเราจะต้องศึกษาได้ฝึกอบอ้อมอาลีต่อคุณงามความดีของพวกเราลักษณะฝึ ก, ฝกจิตฝึกใจอย่างนี้มันเป็นการจำละ เทถิมาณนะหัวเดือถือตัวแขงกระด้างภายในจิตใจนั่นน่ะจึงให้มีความอ่อนละบนทางจิตทางใจมีความเบาทางจิตทางใจทั้งกายทั้งใจของเราด้วยเพราะสิ่งเหานี้เป็นลักษณะของศีลของธรมธรมศีลธรรมว่าแต่และอย่างแต่และอย่างแต่และอย่างนี่ต้องดูถึงจิตถึงใจลักษณะที่นั้นว่า ใจของเรามันมีแล้วน้อยมากขนาดไหนมันเป็นแล้วน้อยมากขนาดไหนนอกจากที่พวกเรา <c oughs> จะตั้งใจอยู่กับคำบริกรรมเพื่อเป็นสมาธิบางโอกาสบางเวลาแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องจิตใจของเราที่มันอยู่กับอารมณ์ อารมณ์ภายในจิตใจของเรานี้ที่มันเจี่ยวเรื่องเกี่ยวก้องกันอยู่ทุกข์กัจิตโดยเฉพาะกับเรื่องขันเวทนาขันสังขานขันเวทนาขันนอกจากอเวทนาความเจ็บปวดทุกขะเวทนาทางร่างกายและก็เรื่องอารมณ์ทางจิตใจมันมันรู้อยู่น้อยมากคนรู้อยู่รู้อยู่ เราหลับตาก็ลับก็เชียงอยู่หลับตานั้นนะ่ะส่วนที่เออารมณ์เรื่องเจิตใจทุกข์เจตนาเหนื่อยเมื่อหีวหรืออะไรก็ตามแต่ที่ปรากฏอยู่ภายนวงใจนั้นน่ะมันปิดไม่ได้พอใจมันทาตุมันรู้ถึงกับหลับตาเราเรื่องที่มีในใจิตใจแล้วมันไม่มีอะไรที่ปิดมันได้เมื่อปิดมันบปได้ที น, นี้ก็ต้อง ฝึกใจของเราอันนั้นแ่ะแยกส่วนถ้าส่วนไหนที่มันดูแล้วว่าเอออันนี้มันเป็นเวทนาขันมันเป็นความทุกข์เป็นอารมณ์ที่จิตใจไม่ไม่ต้องการถ้ามันเป็นเรื่องที่จิตใจมันต้องการแต่มันมีในภายในดวงใจทำยังไงที่เนี่ย แล้วต้องแก้ไขปวดเพื่องด้วยสติด้วยปัญญาของเราใจก็ถ้ารู้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ฝึกดูอารมณ์ที่จิตใจไม่ต้องการเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จิตใจของเราต้องเรียนรู้พยายามเตือนจิตเตือนใจของเราถ้าเราดูอารมณ์ภายในจิตใจของเราลักษณะนี้ ก็ได้ชื่อว่าเรากําลังหลีกเลี่ยงเลือกเลือกแฟนเอาจิตใจของเราให้จิตใจของเรามีส ต, ติมีปัญญาเรียนรู้เรื่องคาดเรื่องขันเบื้องาขันอารมณ์ของจิตใจที่จิตใจรู้ว่าอสิ่งหเหล่านี้มันปรากฏอยู่ภายในใจิตใจแต่จิตใจสัญชาตญาณไม่ต้องการแต่มันมีอยู่ เมื่อมีอยู่แล้วก็อยู่เราจะอยู่กับของที่มันมีอยู่นั้นเจะอยู่ได้ไงไีสิน่ยก็ อ, อยู่ต้องต้องอยู่ได้ด้วยความฉลาดถ้าอยู่ได้ด้วยความฉลาดมันก็สบายเพราะใจก็คือคือใจไอสิ่งที่ใจไม่ชอบก็คือสิ่งที่ใจมาชอบมันไม่ใช่เอ็มเดียวกัน เราก็อยู่ของเราด้วยความเฉลาดด้วยด้วยการรู้เท่ารู้เท่าสังขารรู้เท่าวิญญาณรู้เท่าเวทนานี่ถ้าศึกษาเรื่องของใจโดยเฉพาะที่ลักษณะนี้ก็ต้องมีการละการปล่อยการวางเรื่องหยาบๆทางนอกเข้ามามันไม่มีส่วนนั้นเกี่ยวข้องทางจิตใจจิตใจมันต้องมีเรื่องส่วนละเอียด ที่มันปรากฏอยู่ภายในจิตใจนั่นเขีนมาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เองด้วยตั้งสติด้วยใช้ปัญญารอบรู้ในสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายใน จ, ใจิตใจเรื่องเฟ้นเรื่องเฟ้นเรื่องเฟ้น ทำยังไงจิตใจของเรามันสิ่งองนั้นจึงจะไม่เข้ามากระทบอันนี้เราใช้ด้วยความฉลาดของเราการฝึกเลือกเฟ้นอย่างนี้ก็คือฝึกเอาความเป็นธรรมสติธรรมปัญญาธรรมฝึกเอาความ เป็นธรรมที่เราฝึกละฝึกปล่อยฝึกวางในสิ่งที่จิตใจรู้รู้แล้วจิตใจมาต้องการเราจะอยู่อย่างนี้อย่าง น, างนี้อย่างนี้เป็นการละการปล่อยกันบางให้มันรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวลักษณะอย่างนี้ก็ล้วนแล้วแต่ฝึกให้จิตใจของเรามีความฉลาด น, นั่น รู้เท่าในเหตุในผลรู้เท่าในเรื่องอาการที่เกิดขึ้นทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดอย่างที่พวกเราเคยได้ยินได้ฟังความดีของความเป็นธรรมนี่นะไม่มีอะไรที่จ ะ, ปะเปเสิรเลิศ ก, กว่าสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นธรรมทางที่ดี ฉะนั้นนพวกเราก็เคยได้ยินได้ฟังว่ารสชาติสิ่ง <c oughs> ที่พวกเราเคยได้สัมผัสจะเป็นรสเปรี้ยวรสหวานรสเผ็ดรสเค็มรสอร่อยอะไรก็ตามแต่ที่มันมีอยู่ในโลก <c oughs> พวกเราเคยได้สัมผัสมาทั้งนั้น แต่แล้วรสชาติประเภทนั้นน่ะมันไม่เลิศไม่เป ร, เริศเท่ารสชาติของความเป็นธรรมรสของความเป็นธรรมเนี่ยเป็นสิ่งเลิศเป็นสิ่งปเปรศยิ่งกว่ารสชาติที่มันมีอยู่ทางนอกที่เราเคยสัมผัสเราสัมผัสให้เยนรู้รสชาติในความสองความสงก ความสง บ, บนี้มันมีรสชาติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันมีความปีติมีความสุขซาบซึ้งซาบซึ้งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กห็หาไม่ได้รู้ถ้าเราจะมองภาพรวมแบบส่วนรวมตั้งแต่ส่วนละเอียดออกไปส่วนหยาบคือเนี่ยก็บารสชาติของธรรม ทำหมายถึงกุศลธรรมทำหมายถึงการกระทาการแสดงออกของเขาของเราโดยเฉพาะของคนอื่นคนอื่นที่อยู่ในฐานะยังไงเกี่ยวเนื่องกับเราอย่างไงคำว่าทำหมายถึงการกระทาหรือความประพฤติของบุคคล ถ้าคนนั้นเขาประ ก, การประพฤติตัวอยู่ในขอบเขตของความเป็นศิลเป็นธรรมแสดงว่าผลการประพฤติคือความดีของเขาเนะี่ยจะเป็นใครก็ตา ม, มเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วจะเกิดความซาบซึ้งซาบซึ้งมีความยินดีมีความพอใจพอใจพอใจพอใจจากความประพฤติพอใจจากการกระทาของบุคคลนั่น พรบุคคลดัน้นั้นความประพฤติเขาอยู่ในความเป็นธรรมธรรมคือการกระทำของบุคคลธรรมคือการแสดงออกของบุคคลฉะนั้นเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเพื่อให้ความเป็นธรรมแสดงออกจากกิริยามารายาทของเราเพื่อจะได้เป็นเครื่องบอกของผู้ มีหูบีตาที่พวกเราอาศัยกันอยู่ในสัมผัสสัมผัส ท, ทางตาดูจิริยาการกระทําสัมผัสทางหูดูจิริยาคําพูดคําพูดมันเป็นเสียงสินเสียงธรรมแสดงออกเป็นเสียงสินเสียงธรรมพฤติกรรมที่แสดงออกไปรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวการแสดงออกอย่างนี้อย่างนี้ให้เป็นการแสดงออกอยู่ในขอบเขตของความเป็นสินเป็นดำแสดงกระขคร เขาคนนั้นหมู่นั้นพวกนั้นเขาจะมีความซาบซึ้งก็จะมีความยินดีเขาจะมีความพ อ, อใจแบบไม่มีความเบื่อความหน่ายเพราะจินยานัความเป็นธรรมที่คนแสดงออกฉะนั้นธรรมรสชาติของธรรมธรรมคือความประพฤติธรรมคือการแสดงออก เมื่อพวกเรารู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวต ว, ว่าขณะนี้พวกเราพวกเราอยู่ในขอบเขตขอ ง, งความเป็นธรรมผู้ประพฤติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมต้องแสดงความเป็นธรรมให้เกิดรสชาติกับหมู่คณะนะหมู่พวกกูบาาจารใครก็ตามแต่ถ้าความประพฤติธรรมอยู่ในขอบเขตจริยามรารยาของความเป็นธรรมแล้วไม่มีการเบื่อไม่มีการหน่ายไม่มี ใครจะเกิดความไม่พอใจเตะฉินนินทาในความดีของพวกเราที่แสดงออกฉะนั้นรสชาติของความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทานี่จะเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นก็ตามเกิดขึ้นกับตัวเองก็ตามมันจะเกิดความภูมิใจพอใจซึ้งใจซึ้งใจซึ้งใจ การแสดงออกของความเป็นธรรมตัวเองเราได้แทงได้แสดงแล้วการแสดงการพูดในความเป็นธรรมเราได้พูดแล้วการคิดในความเป็นธรรมเราคิดแล้วสิ่งที่มีในใจของเรามันมีความเป็นธรรมคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พูดออกไปเป็นอย่างนี้กริยามารยาทแสดงความเป็นธรรมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรานึกขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่โผมใจ ว่าเราได้ประพฤติความเป็นธรรมพูดความเป็นธรรมกริยาบรรยาแสดงความเป็นธรรมคนอื่นได้เลี้ยงลดในการดูการเห็นการได้ยินในฝั่งสัมผัสการดูการเห็นการได้ยินในฝั่งจากกิริยาแห่งความเป็นธรรมที่ประพฤติที่การแสดงออกนั้นเกิดความซึ้งใจพอใจภูมิใจ อันนี้คำว่ารสชาติของธรรมนั่นย่อมชนะรสชาติของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมดชนนรสชาติของความเป็นธรรมเราต้องการสมาธิธรรมสติธรรมปัญญาธรรมในขณะที่จิตใจของเรามันมุ่งเข้าสู่ความเป็นธรรมคือความสงบ แล้วก็ต้องเห็นคุณค่าของความสงบเห็นคุณค่าของสติเห็นคุณค่าของจิตใจที่บางที่ว่างจากเรื่องต่างๆแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทาให้จิตใจของเรามีความเบาความสบายแล้วก็เห็นรสชาติของความเป็นธรรมมีภายในจิตใจของเราโดยเฉพาะการฝึกการปฏิบัติ <c oughs> เมื่อเราเข้าใจคุณค่าของความเป็นธรรมที่ ทำแล้วประพฤติแล้วมันเป็นของเลิศของประเสริฐเฉพาะตัวเรารู้แล้วก็ภูมิใจคนอื่นรู้สัมผัสแล้วก็ภูมิใจเราก็จะมีกัจิตกับใจของเราที่จะรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตั ว, รตวประพฤติคุณงามความดีอยู่ในท่ามกลางของสายหูสายตาของหมูนะ่คณะประพฤติคุณงามความยดีอยู่ในท่ามกลางของความพอใจของเรา ฉันท่าความพอใจประพฤตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดินจงกรมอย่างนี้นั่งสมาธิอย่างนี้การเช็งวดอดขันในความรู้สึกทางจิตใจของเรานึกถึงความดีเป็นหลักอย่างนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอันเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือบุคคลอื่นต้องการ ก็เป็นคนที่ไม่ลืมตัวรู้ตัวลืมมม่ไม่ลืมตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวก็ได้ชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมเราบำเพ็ญธรรมบรรบรรจุความเป็นธรรมเพิ่มปริมาณของความเป็นธรรมให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราประพฤติตัวอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าทำเพื่อความเป็นธรรมสมาธิธรรมสติธรรมปัญญาธรรม ทำแล้วไมให้เกิดความนิพพติสารเดือดร้อนทีหลังกระโผงใจเราเรียนรู้ลักษณะความเป็นธรรมเราประพฤติใจของเราที่มันเป็นธรรมอยู่แล้วให้เป็นสมาธิธรรมเสตติธรรมปัญญาธรรมให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คือแนวทางฝึกแนวทางปฏิบัติให้เห็นคุณค่าของความเป็นธรรม เมื่อเราเห็นคุณค่าความเป็นธรรมอย่างนี้แล้วการปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นธรรมนี่มันก็รดูดเดิมดูดเดิมดูดเดิมไม่มีการเหนื่อยนายเอื่อมละอ่าเพราะการเหนื่อยนายเอื่อมละอานี่มันเป็นกระแสของกิเลสของตัณหาอาวิชชาที่มีในดวงใจของเรามีความฟุ้งซ่านมีความลำคาญไม่มีส ต, ติตกต่างอันนี่ด้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ของฝ่ายต่ำคือกิเลสตัณหา ถ้าเรานึกถึงการปฏิบัติธรรมแล้วมันจิตมันขวงมันเข้าขวงเข้าจิตกันเอาไว้เพราะจิเลสตัณหานี่ยมันสิ่งที่เป็นเครื่องทําลายมันก็คือสินธรรมสินธรรมที่เราฝึกโดยจะพาะสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเนี่ยที่เราฝึกไต้รู้ตัวรู้ตั ว, ตวเมื่อฝึกอันนี้มันก็ไปกระทบอะไรกระทบทิเลสฝึกความเป็นธรรมก็ไปความเป็นธรรมเข้าไปมันก็เข้าไปกระทบทบิเลส กรบจิเลตมันอยู่ที่ไหนอย่างกระทบอยู่ที่ไหนกระทบอยู่ในใจของเราเพราะใจของเราเป็นที่อยู่ของกิเลตตัณหาต้องรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวไม่งั้นแล้วจะเลือกแฟ้นไม่ถูกว่าอะไรคือธรรมอะไรคือกิเลสเราจะเลือกเฟ้นไม่ได้เลือกเฟ้นไม่ถูกแยกแยะไม่ออก <Nej. S 1> เมื่อแยกแยะออกแล้วก็เราจะเห็นคุณค่าของการประพฤติธรรมของเรา เมื่อเราเข้าใจความเป็นธรรมอย่างนี้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแล้วแล้วก็จะเรียนเรียนรู้ความเป็นธรรมนี่เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความประพฤติของเราจะมีความหนักแน่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเต้นใจในการประพฤติเต้นใจในการปฏิบัติเพราะประพฤติปฏิบัติความเป็นธรรมนี่ประพฤติได้น้อยมากขนาดไหนเป็นคุณเป็นประโยชน์กระดวงจิตดวงใจของเราทังนั้นไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยจะนด้ พากันฝึกตั้งใจปฏิบัติตามโอกาสการเวลาที่พวกเรามีอยู่การทํากบภาคความเพียนมีจิตตะตั้งเดินยความพัฒนานั่งสมาธิอันนี้ให้รู้ตัวให้รู้ตัวว่าเราจะบรรจุเติมความเป็นธรรมจิตธรรมสมาธิธรรมทำมันมีมากขึ้นด้วยกําลังสติด้วยกํา ล, ลังสมาธิเพื่อเกิดกาลังปัญญาจะเครื่องชําป้าล้างกิงเลสตัณหาออกจากใจงเรามีทางเดียวนี้เท่านั้น ถ้าเราไม่เข้าใจเส้นทางอันนี้ประพฤติปฏิบัติ <c oughs> ม่อยู่ในขอบเขตของเส้นทางของศีลของธรรมนี่ผลการประพฤติแทนที่จะเกิดความสงบอบอุ่นทางจิตใจมันจะเกิดความกระตับกระายวุ่นวายขึ้น กษัตกษายบุ่นวายขึ้นหนึ่งนั่นคืออะไรคือลักษณะของกิเลสแต่หามไม่ใจลักษณะของธรรมให้เรียนรู้เอาไว้ลักษณะของธรรมเตศก็คือความเยือกความเย็นเบากายเบาใจสติธรรมสมาธิธรรมจิตใจมีความหนักแน่นต่อควมดีมั่นคงมั่นคงที่เป็นสมบัติ ในความเป็นธรรมมั่นคงในความเป็นธรรมนี่เป็นอริยะสมบัติสมบัติที่พวกเราจะต้องอาศัยทางด้านจิตใจของพวกเราให้ฝึกความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นมีขึ้นจะได้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่แต่นั้นะการเรียนรู้เรื่องของจิตใจให้เข้าใจคำว่าความเป็นธรรมที่เราฝึก เมื่อเข้าใจแล้วฉันท่าความพอใจในความเป็นธรรมฉันท่าความพอใจในการฝึกการปฏิบัติมันมีเมื่อมีแล้ววิริยะความภาก ค, ความเพียรมันก็มีจิตตาเอาใจใส่มันก็มีมันเป็นแนวทางแนวทางแนวทางที่จิตใจของเราจะต้องนำลักษณะความเป็นธรรมประเภทนั้นมาฝึกมาปฏิบัติบางเข้าใจการฝึก